ก็ในลำดับนั้นมีสิ่งที่น่าแปลกประหลาดเกิดขึ้นอีกมีสุนัขนรกมากมายหลายตัวแต่ละตัวนั้นก็มีตัวใหญ่มาหืมาต่างก็วิ่งกรูเข้ามาหมายขย่ำสัตว์นรกต่างๆเหล่านั้นเมื่อสัตว์นรกต่างๆเหล่านั้นไม่สามารถวิ่งหนีสุนัขนรกได้ สุนัขนรกนั้นก็ได้กัดกินสัตว์นรกต่างๆเหล่านั้นอย่างอร่ อ, รอยเคี้ยวของสุนัขนรกนั้นเป็นเปลวไฟที่ร้อนแรงเมื่อถูกเนื้อของสัตว์นรกต่างๆเหล่านั้นก็ไหม้สุกแล้วก็ถูกฉีกเคี้ยวกินอย่างอร่ อ, รอยเสียงร้องระงมด้วยความโอดโอยน่าสงสารเมื่อพระเทระได้ฟังแล้วได้เห็นแล้ว ก็เกิดความเวทนาสงสารเป็นอย่างยิ่งเออท่านเท้าวยมบาลอาจตมาเห็นแล้วรู้สึกว่าน่าสงสารสัตว์นรกต่างๆเหล่ า, านี้จังเลยเออก็ไม่รู้ว่าสัตว์เหล่านี้จะได้หมดเวหมดกรรมเมื่อใดกันหนอ พระคุณเจ้าผู้เจริญเออข้าพ เ, เจ้าน่ออาาก็มีความสงสารเช่นเดียวกับท่านนั่นแหละแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นมีกรรมเป็นของตนจริงๆข้าพเจ้าไม่สามารถจะไปห้ามกรรมที่กำลังส่งผลกับพวกเขาได้เลย ก็ในขนาดเดียวกันก็มีแรนนรกจำนวนมากมายบินมาเป็นฝูงฝูงแรนนรกนั้นมีจงอยปากเป็นไฟมีกงเล็บเป็นไฟต่างก็บินถลาเข้ามารุมทึงสัตว์นรกต่างๆเหล่านั้นรวมเป็นว่าทั้งสุนัขนรกและแรนนรกนั้นก็ได้กัดกินสัตว์นรกเหล่านั้นอย่างอร่อยอร่อย พระคุณเจ้าครับแดนนรกแห่งนี้เรียกว่าอสิปัตนะนรกพระคุณเจ้าในแดนนรกขุมนี้บุคคลที่จะต้องมาตกนรกในนี้ชาติก่อนได้เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยการเป็นพรานร่าเนื้อไล่ต้อนทิ่มแทงสัตว์อื่นด้วยมีดด้วยหอกด้วยดาบหรือคนบางคนเป็นโจร เป็นพลทานเอามีดไล่แทงเอาปืนไล่ยิงแก่คนและสัตว์ทั้งหลายก็ผลกรรมอันนี้แหละจึงทำให้เขาต้องมาตกนรกขุมนี้เออตายตายเป็นๆเดี๋ยวฟื้นเดี๋ยวตายอย่างนี้จนกว่าจะสิ้นกรรม เอาละเท้าท่านยมพบาลช่วยพาอาตมาไปดูแดนรกขุมอื่นต่อไปเถอะอาตมาเห็นแล้วหน้าเศร้าสลดใจจังนักขอดูชมรกขุมอื่นก่อนดีกว่าได้เลยพระคุณเจ้าข้าพเจ้าจะพาท่านพระคุณเจ้าไปดูนรกขุมอื่นต่อไป แล้วท่านพญายมพบาลก็ได้พาพระมลัยเดินไปสู่แดนนรกขุมต่อไปมาพบพื้นที่โล่งแห่งหนึ่งและเห็นแม่น้ำกว้างใหญ่ยาวขนานขวางกั้นอยู่เบื้องหน้าทั้งสองฝากฝั่งมีเครือหวายอันใหญ่โตซึ่งวางสลับซับซ้อนเกี่ยวพันเต็มไปหมด ทีนี่เรียกว่าเวตรณีนรกขอรับพระคุณเจ้าสิ่งเป็นนรกที่มีแต่เครือหวายสองฝั่งฝาาแม่น้ำนั้นจะมีต้นหวายขึ้นเต็มไปหมดเครือหนามของมันนั้นคมยิ่งกว่ามีดโกนใดๆในโลกสามารถบาดร่างกายของสัตว์ลกให้คาสะบั้นลงไปได้ทำให้เป็นท่อนเล็กท่อนน้อยไปตามๆกัน แล้วสัตว์นรกที่มาตกนรกในขุมนี้เขาได้ทํากรรมอะไรดอกเลือกโอแน่นอนพระคุณเจ้าก็เป็นพวกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยการวางเครื่องดับสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นดักสัตว์บกสัตว์น้ําหรือสัตว์ทางอากาศหรือบางทีก็คนเรานี่แหละที่ได้วางอุบายหลอกลวงคนด้วยกันเองต่างๆนานา พวกสิบปดมงกุฎที่ชอบวางแผนล่อลวงอุบายดักคนเป็นต้นว่าลวงหญิงสาวไปทำการค้าขายประเวณีหรือบางทีก็ลวงเขาไปฆ่าหรือบางทีโอ้มากมายสุดแต่คนพวกนี้จะมีจิตอกุศลอยู่ในใจอย่างไรพวกเขาเหล่านี้มีการวางแผนกับดักเป็นอย่างไร ก็จะต้องได้ร e ับผลกรรมอย่างที่พระกุญเจ้าเห็นอยู่ในขณะนี้แลลวเมื่อยมบาลพูดจบก็มีสัตวตลกมากมายท่าทางระโหยโรยแรงเต็มทีคันเหลือบมองเห็นแม่น้ำเบื้องหน้าอยากจะได้ดื่มน้ำในแม่น้ำนั้นต่างก็วิ่งกลูกันเข้ามายังแม่น้ำแห่งนั้น สัตลกเหล่านั้นเมื่อเห็นแม่น้ำแล้วก็วิ่งกระจนหมายจะกระโดดลงในน้าแต่ไม่ทันได้สังเกตตนเองนั้นก็ได้กระโดดลงบนเครือหวายนั้นเครือหวายก็ได้บาดร่างกายตามตัวต่างๆบาดเนื้อบาดกระดูกจนถึงกับตัดอวัยวะต่างๆให้ขาดไปแขนขาดบ้างขาขาดบ้างลำตัวขาดบ้างศีรษะขาดบ้าง ลำไส้ต่างก็ติดห้อยกระหล่ำแหลงอยู่ที่เครือหวายเหล่านั้นสักครู่หนึ่งเครือหวายนั้นก็ได้ลุกเป็นเปลวไฟขึ้นมาไฟนั้นก็ได้ย่างเนื้อท่อนน้อยท่อนใหญ่ของสัตว์รกต่างๆเหล่านั้นให้ไม่เป็นจุนบนเครือหวายนั่นเอง สัตว์นรกบางพวกเมื่อเห็นสัตว์นรกพวกที่วิ่งไปก่อนนั้นติดอยู่บนขวากหนามนั้นก็ได้มีความเกรงกลัวไม่กล้าจะกระโดดลงไปนายนิรยาบาลก็ได้เอาแส้บ้างดาบบ้างค้อนบ้างไล่หวดสัตว์นกเมื่อเกิดความกลัวก็ต้องวิ่งกระโจนกระโดดลงไปบนเครือหวายแห่งนั้น พันธาพญายมราชอาตมาเห็นแล้วว่าสัตว์ในนรกขุมนี้ได้รับความทุกข์ทรมานก็ไม่ยิ่งย่อนกับนรกขุมอื่นๆเช่นกันเลยโอ้ดูทีเลยเหมือนกับว่าสัตว์เหล่านั้นนอกจากจะถูกคมหวายนั้นบาดร่างกายให้ขาดเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยแล้วก็ยังมีแปลไฟนรกบนเครือหวายนั้นไม่อวัยวะต่างๆเหล่านั้นอีกด้วยพวกเขาดูไม่ตายเลยนะ ใช่แล้วพระคุณเจ้าเออสัตว์นรกที่ตกอยู่บนเครือหวายนรกนี้ร่างกายแม้จะขาดเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยแต่ก็ยังมีเปลวไฟลุกไหม้อวยวะต่างๆความทุกเวทนาก็ยังไม่หมดสิ้นไปก็ไม่ได้หมายความว่าจะสิ้นใจตายไปบัดดนก็ยังต้องเสวยความทุกข์ทรมานต่างๆนานาอย่างที่เห็นนั่นแหละ ดูสิพระคุณเจ้าบางตอนมือขาดแล้วมือก็ ย, ยังกระดิกไปมาดูเหมือนกับว่ามีมชีวิต อ, อยู่อย่างนั้นแหละพระคุณเจ้าก็รับเออข้าพเจ้าขอนีมนท่านไปชมนรกขุมอื่นต่อไปเถอะครับ และพระเถระก็ได้เดินตามเท้ายมพบาลไปดูนรกคุ้มอื่นต่อไปจากนั้นเท้าพญายมราช ได้พาพระเถระไปยังนรกซึ่งเรียกว่าแดนขี้เท่าหรือกุกุละนรกในนรกขี้เท่านี้ก็จะมีก้อนขี้เท่าใหญ่โตมากมายความร้อนนั้นเปรียบด่างไฟสามารถเผาพลานสัตว์นรกที่ถูกจับโยนเข้าไปให้มกไหมเป็นเท่าถ่านไปในพริบตา สัตว์นรกนั้นเมื่อถูกจับโยนลงไปแล้วต่างก็จะดิ้นพ่านด้วยความร้อนของเท่านรกนั้นแล้วร่างนั้นก็ดับสิ้นไปแล้วกลับฟื้นขึ้นมาใหม่ถูกจับโยนลงในที่เท่าอย่างนี้จนกว่าจะสิ้นกรรมที่ได้ทําไว้ท้าพรยาจมราชอาตมาขอถามในเถอะทำไมสัตว์นรกจึงได้มาเกิดในแดนแห่งนี้ล่ะ พระคุณเจ้าบุคคลที่มาตกระกรรมลาบากในแดนรกแห่งนี้ก็เพราะว่าเมื่อชาติก่อนชอบจับสัตว์อื่นนั้นมาหมกขีเท่าร้อนๆบางทีก็จับมาหมกเป็นเป็นก็มีไม่ว่าจะหมกคนหรือหมกสัตว์ด้วยความร้อนให้ตายอย่างทรมานอย่างนี้จึงจะต้องได้รับผลกรรมมาตกน ร, รกแห่งนี้ละพระคุณเจ้าครับ จากนั้นท้าพญายมราชก็ได้พาพระมลาัายไปชมแดนนรกขุมอื่นต่อไปขุมนี้เรียกว่าคูนรกในคูนรกนี้เป็นอาณาบริเวณที่กว้างใหญ่ภายในนั้นมีกําแพงเหล็กใหญ่โตและขวางกั้นเต็มไปด้วยมูดคูดอันกว้างใหญ่ภายในคูดนั้นก็จะมีน้อนโตใหญ่ มากมายหลายตัวสัตว์นรกที่ตกอยู่ในนรกคูดนี้ก็จะถูกหนอนนี้ชอนชัยเข้าไปในร่างกายของสัตว์นรกเหล่านั้นหนอนนั้นใหญ่โตมากมายก็เข้าไปในร่างของสัตว์นรกได้อย่างไรทั้งนี้ก็ด้วยเพราะกรรมนั่นเองหนอนนรกนี้ใช้ปากเล็กแหลมชอนชัยเข้าไปในลูกตาบ้างในรูจมูกบ้างในช่องหูบ้างช่องปากบ้าง ช่องทวารหนักบ้างหรือบางทีก็แทะเข้าไปในระหว่างท้องแล้วเข้าไปกัดกินอวัยวะน้อยใหญ่กินกระดูกก็ยังมีต่อจากนั้นเท้ายมพบาลก็ได้พาพระเถระมาดูหม้อกระทะทองแดงใหญ่ท่อปูเขารูกมหือมามีน้ำทองแดงที่กำลังเดือดพล่านอยู่บนเตาไฟ สัตว์นรกผู้ตกเป็นเฉลยนั้นต่างก็ถูกจับโยนลงในกระทะทองแดงนั้นท่านพญายมราชบอกอาจมาได้หรือไม่ว่าสัตว์นรกที่ตกอยู่ในกระทะทองแดงนี้เขาได้เคยทำกรรมอะไรไว้สัตว์พวกเนีได้เคยทำกรรมที่ททเกี่ยวกับเรื่องขอ ง, ของ การนําสัตว์มาต้มในน้ําเป็นๆบางพวกก็ทําเป็นกุ้งเต้นบ้างต้มน้ําให้ร้อนแล้วจับกุ้งโยนลงไปใส่ลงไปในน้ําร้อนนั้นเพื่อนํามาเป็นอาหารบางพวกก็นําหอยปูปลาต่างๆต้มลงไปทั้งที่ยังเป็นๆอยู่เพื่อนํามาประกอบเป็นอาหารเหล่านี้เป็นต้นพระคุณเจ้านรกขุมนี้มีชื่อเรียกว่า โลหะกุมพีนรกพระคุณเจ้าเอ้ยขอพระคุณเจ้าได้โปรดเหลียวมองอีกด้านหนึ่งทางฟาก น, น, น, นู้นนะครับนั่นนะครับนั่นแหละก็เป็นนรกในโลหะกุมพีนรกเช่นเดียวกันแต่สัตว์ประเภทนี้นอกจากจะต้องนอนบนแผันเหล็กที่ร้อเนเป็นเปลวไฟแล้วก็ยังถูกเอาน้ำทองแดงนั้นกรอกใส่ปาก หรือบางทีก็นาเอากรวดซึ่งเป็นกรวดนรกเป็นก้อนเหล็กร้อนกรอกใส่ปากเช่นเดียวกันทำให้ลาปากคอหรือแม้แต่ถองของเขาก็ต้องร้อนผุพองแปกทลายไปที่สุดเออตายอยู่ในนรกเ่านี้ตายแล้วก็ฟื้นฟื้นแล้วก็ตายทรมานอยู่อย่างนี้นับเป็นแสนปีก็มีล้านปีก็มี เออก็แล้วแต่เวรและกรรมของเขานั่นแหละจะหนักจะเบาและบุคคลเหล่านี้ที่ต่อต้องมากรอกน้ำทองแดงถูกกรอกก้อนกรวใส่ปากเหล่านี้ก็เพราะว่าตนเองได้เคยดื่มสุราเมรลยต่างๆนะนะติดยาเสพติดโดยเฉพาะเหล้าและสุรานั้นบุคคลหลายคนในมนุษย์โลกก็ได้เคยเห็นว่าเมาเช้าเมาเย็นเมาสุราแบบนี้แล้ว กระทำให้คนอื่นเดือดร้อนกระทำผิดศีลต่อผู้อื่นอีกมากมายบางคนก็เมายาบ้าแล้วไปประหารชีวิตต่อผู้อื่นโอ้นับว่าเป็นผลกรรมที่น่ากลัวจริงๆถ้าเกิดเขาทําลงไปแล้วต้องมาตกในนรกขุมนี้พระกุณเจ้าครับได้โปรดพิจารณาดูเถิดน่าสลดสังเวชจริงๆเอออาตมา จะนำเอาสิ่งที่อาตมาได้เห็นในครั้งนี้นำไปบอกกล่าวแก่เมืองมนุษย์ให้เขามีความสำรวมระวังเกรงกลัวต่อบาปต่อไปสาธุสาธุข้าพเจ้าขออนุโมทนาในส่วนกุศลที่พระคุณเจ้ามีจิตเมตตาจริงๆท่านครับขอนิมนต์ไปชมนรกคุมอื่นต่อไปเถอครับ ทำดีดีส่งให้เห็นผลทำชั่วหลังจากที่พระมาลัยเดินผ่านหม่อกระทะทองแดงไปแล้วนั้นก็มาถึงป่างิ้วใหญ่ซึ่งมีต้นงิ้วสูงกว่าต้นไม้ใดๆในเมืองมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นแต่ละต้นก็จะมีหนามแหลมคมเป็นเหล็กยาวออกมาถึง16องคุรีมีเปลวไฟลุกโดยท่วนทั่ว